อ้าวใครจะถามอะไรเราโอ้ยน้ำปีน้ไปีีน้ำน้ีน้้ีนีน้ำปีน้ำีน้ำปีน้ำปี้น้น้นี้้้้ เหตุที่พระพุทธเจ้าจะตรัสในเรื่องเนี้ก็มีพระรูปหนึ่งท่านเจ็บป่วยแล้วก็ไม่มีภิกษุด้วยกันดูแลในคราวนั้นพระพุทธเจ้าก็ไปดูแลเองไปเช็ดพุจาระปัสสาวะแล้วก็ไปเช็ดน้ําเหลืองน้ําเลือดให้อะไรไนมะ่แล้วก็เปลี่ยนสิ่งของต่างๆให้เป็นต้นอะไรนี้ จากมูลเหตุต ร, ตรงนี้แหละพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสถึงอนิสงส์บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายปรารถนาจะอุปถากเราว ถ, ถาคตคขอให้เธอทั้งหลายจงอุปถากภิกษุใครเธอก็เลยเป็นพุทธดำหลัดตรัสนี้ขึ้นมาทีนี้พุทธดำหลัดที่ตรัสอย่างนี้มองเป็นสองกรณีกรณีหนึ่งนั้นเพื่อให้พระเนี่ย ได้เกิดความเห็นเห็นความสําคัญในการที่จะดูแลพิการและกั น, น, กนพอพระที่บวชเข้ามาแล้วเนี่ยไม่มีพ่อแม่ถ้าพวกเธอไม่ดูแลกันเองแล้วใครจะดูแลกันเล่านี้เป็นต้น น, นั้นตรัสมุมหนึ่งและอีกมุมหนึ่งก็ตรัส ถ, ถึงในเรื่องของอนิสงส์อนิสงส์ของการอุปถากภิกษุที่ป่วยไข้นียเพราะว่าสมมาณัเชื้อส า, ายสากยะบุตรเนี่ยพุทธชิโนโอรสเนี่ย ที่บวชเข้ามาเนี่ยไม่ใช่บวชมาเพื่ออย่างอื่นใช่ต้องดูว่าอัธยาศัยของผู้บวชนี่เขาปรารถนาอะไรสัพทุกขานิสระนนิพพานะสัจจิกรณาตถายักการบวชของบุคคลทั่วๆไปเนี่ยเาปรารถนาที่จะกระทาให้แจ้งพึงพานิพานที่บอกเอกายโนยงังพิขเวมัคโคทางนี้เป็นทางสายเดียวเป็นทางสายเอกที่พระบรมศาสดาเสดสเ็จดาเนินไปแล้ว ฉะนั้นพุทบริษัทโดยเฉพาะภิกษุทั้งหลายก็ดาเนินไปตามทางสายนี้แหละก็คือมัชฌิมาปริปทาเหล่านี้เพื่อบรรลุเดินตามรอยบ า, าศศาสดาสัตตานังวิสุทธิยาเพื่อความสะอาดบริสุทธิ์หมดจดของเหล่าสัตว์ราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาอินิรการานตปาอุทะจักบาปกุศลกรรมบรรทุ่ร้ายทั้งหลายเนี่ยทำให้สัตว์ไม่สะอาดทําให้สัตว์นั้นโสภะ งั้นบุคคลที่บวชเข้ามาในาศาสนาต้องการจะเป็นสัตว์ที่สะอาดบริสุทธิ์หมดจดแล้วก็โสกาปริเทวนางสมติกมายะดําเนินไปตามทางสายนี้แล้วจะพ้นจากความโศก ค, ความร่าไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจและความ ข, าขัดแค้นังแล้วก็ทุกขโทมนาซานางังอัถังกมายะถ้าดําเนินไปตามทางสายนี้แล้วจะดับทุกขโทมอนัตแล้วก็ ญ, ญาญาสะอธิกมายะดําเนินไปตามทางสายนี้แล้วจะบรรลุอริยมรรค และอริยผลนิพพานนสัตสจิตริยายะเพื่อจะกระทำพรนิพพาในใด้แจ้งประเด็นก็คือว่าถ้าเจ็บป่วยเนี่ยการที่พิจูเจ็บไข่เนี่ยมันเป็นอุปสรรคเป็นเครื่องกัน้นฉะนั้นเมื่อดูแลกระแสชีวิตรูปขันต์ของท่านเนี่ยให้หายจากความเจ็บป่วยแล้วเนี่ยท่านจะได้ใช้พลังที่ทั้งหมดเนี่ยขนขวายตนเองจะได้ออกจากทุกกายและทุกใจเหล่านั้นให้ได้ท่านจะได้บรรลุ อ, น, อนุภาธานพรินิพพาน อันนี้สงก็คือว่าทำให้ท่านมีพลังกำลังกายแล้วจะพัฒนาไปสู่กำลังใจแล้วก็กำลังปัญญาในการที่เดินเดินกระแสะชีวิตไปตามมรรคาของรรพระเจ้าเพื่อจะได้พ้นจากโรคในพระศาสนาเนี่ยในคำว่าโรคเนี่ยเขาบอกว่าอารคยาปรมาราพานี่ความไม่มีโรครือเป็นลาภันประเสรฐนิพานังปรมังสุ ข, ขังนิพานเป็นบรมสุขเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกัน ความไม่มีระความไม่มีโรคเนี่ยก็คือความไม่มีรูประคันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นตราบใดยังมีขันอยู่มีกระแสะชีวิตอยู่ก็เชื่อความเป็นผู้มีโรคอยู่เพราะโรคระโรคในศัพท์นั้นแปลว่าเสียดแทงทิ่มแทงเบียดเบียนบิบคั้นฉะนั้นถ้าไม่มีโรคก็คือได้นิพพานลำถูกโรคทางกายเบียดเบียนไม่มีเวลาไหนเลยที่โรคทางกายจะไม่เบียดเบียน ถูกความเย็นเบียดเบียนบ้างถูกความร้อนเบียดเบียนบ้างถูกความหิวเบียดเบียนบ้างถูกความกระหายเบียดเบียนบ้างอุจจระปัสสาวะทั้งหลายอะไรนี้ทิ่มแทงระเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลามีโรคอยู่แล้วฉะนั้นกรณีที่ว่ายิ่งมีโรคอย่างอื่นมาเบียดเบียนบีบคั้นโอกาสจะบำเพ็ญตนเองให้พ้นจากกิเลสและความทุกข์มันตัวขัดขวางอยู่ฉะนั้นการมาอุปถากมาดูแลเนี่ยทำให้ท่านได้คลายจากความป่วยทางกายชั่วระยะหนึ่ง เพื่อได้พัฒนาสู่ความไม่มีโรคทั้งใจและความไม่มีโรคกล่าวคือขันห้าความไม่มีโรคมันจึงเป็นลาภประเสริฐนิพพานจึงเป็นบรมสุขพระอาจาจึงบอกว่านี้แหละถ้าเธอทั้งหลายปรารถนาจะอุปถากเราก็จงอุปถาเพื่อสู้ไข้เมื่อเธอไม่ป่วยไม่ไข้แล้วท่านจะได้เพียรในการที่จะระดมความเพียรเพื่อบรรลุอริยมรรคอริยผลการทาพระพนิพพานในแจ้งก็จะเข้าถึงความไม่มีโรคอย่างแท้จริงอย่างนี้เป็นต้นพยายามมองเห็นนี่ยัง อันนี้สงเยอะก็ตรงที่ว่าจะได้เป็นปัจจัยท่านได้บรรลุอนุปาทานปณิพานธนั่นแหละจึงเท่ากับการอุปถาพระพุทธเจ้าแล้วการอุปถาในลาน้อมในการอุปถาสมเพื่อสงพลจะเครื่องเสียดแทงคือโรคก็คือที่ไปเบียดเบียกนกระแสชีวิตของท่า น, น, นพ่อจะมองเห็นไหม <c oughs> ตอบยาวไปไหรือว่ามีอะไรอีกไหย หมดแล้วดีเลยจะได้กลับเร็วๆแล้วเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยเจริญกุศลกันดีๆมั้ยอ๋อเรื่องของธรรมปฏิ โยมฟังแ oh. oh. uh. oh. uh ุนงรมะยอยากรู้แลเข้าใจค่ะได้ข้อมูจะได้ทสมาธิได้อ้ห็นาจริงของตัวเองอยู่เจ้าภาแต่ยังไม่ด้ชัดว่าริพพาที่พ่อโยมมาเจ้าภพโยมคนหลั่ายมากเลาได้สมาธิยมก็จะเข้าสู่ได้ากก็ทาให้เรารู้จัก่ะมีมนะ ตั้งใจค่ะว่าเจะปฏบัติเพราะที่ผ่านมาพอจะนั really ่งสมาธิโยมจะสบายเจ้ค่ะยมจะมีความสุขแล้วก็จะไปเลยก็ที่จริงการเจริญสมาธิเนี่ยเออทาไมเวลาเราทํางานในสิ่งที่เราชอบแล้วเราจึงไม่หลับจึงมีความสุขเคยไหมเวลาหนูหนูชอบทํางานอะไรที่ทําแล้วมันเพลินงานอะไร ลองนึกดูที่อ่านหนังสือใช่ไหมเล่นเล่นเกมมีความสุขไหมดูดูไลน์ในโทรศัพท์เนี่ยมีความสุขไหมมีไหมเพลินไหมอ๋อว่าไง เลยออ้โหเป็ด <thirteen> ตีเขาบ่อยก็เลยหลับเลยเนี่ยเวลา จเจริญสมาธิหรือว่าดูลมถ้าดูแล้วมันสนุกมันเป็นกรณีศึกษาดูแล้วมันตื่นเต้นในการดูจะดูจะรู้จะศึกษาเขาอย่างไงจะวิจัยอย่างไงแยกแยะอย่างไงมันจะมีความสุขแม้แต่การที่ว่าสติมันหลุดไปก็รู้สึกมีความสุขที่กลับมาดูใหม่พอดูดูไปเพลินเิ น, เ น, เนมันจะหลับรู้สึกตื่นเต้น ตื่นเต้นว่าแม่จะเห็นมันมันจะทาให้เราหลับมันรู้สึกสนุกกับการดูมีความสุขกับการดูตื่นเต้นกับการดูแล้วอยากจะศึกษาอยากจะเรียนรู้อยากจะดูลายละเอียดมันเป็นกรณีแบบนี้ถ้าสนุกกับมันอย่างเี้ยใช้ได้มันรู้สึกมีความมีมันสนุกเหมือนกรณีที่เราอ่านหนังสือมีความสนุกมันตื่นเต้น โอ้ยตอนนี้ผ่านจุดนั้นไปแล้วตอนนี้ผ่านจุดนี้ไปแล้วตอนนี้มีเรื่องนั้นเกิดขึ้นตอนนี้ความคิดตอนนี้แวบเข้ามาตอนนี้ความโกรธแวบเข้ามาตอนนี้มันหลุดออกไปเนี่ยมันรู้สึกสนุกกับการดูมันถ้าอย่างนี้ไม่หรอกมันรู้สึกมีความสุข ท, ทันทีเลยไม่ใช่ไปปุ๊บแบบมึนๆงงๆเองไอ้ทั้งยาเรียบร้อยเลยก็ห้ามทําอย่างนั้นมันรู้สึกว่าแหมมันเป็นกรณีศึกษามีกรณีาการตื่นเต้นรู้สึกมีความสุข มันได้เห็นขั้นตอนในตอนลมหยับหยาเป็นไงตอนลมมันละเอียดเป็นไงตอนลมเข้าแรงออกไม่แรงเป็นยังไงตอนลมเข้ายาวออกสั้นเข้าสั้นออกยาวเป็นยังไงมันได้ดูหมดเลยเนะี่ยมันได้เข้าเป็นกรณีเป็นกรณีศึกษาอยากเรียนรู้อยากไปดูอยากจะไปเห็นโอ้ยถ้าอย่างเงี้ยมีเรื่องเราเยอะเลยไม่นขนาดดูลมมันรู้สึกบางแผลมันเหมือนเราเข้าชั่วโมงเรียนวิชาที่มันมีความสุขมากที่สุดเคยเป็นอย่างนั้นไหมไม่ใช่ตั้งท่าเซง็งตั้งแต่ไปปฏิวั นี่เรียบร้อยแต่ยังไงอย่าเลี่อ่างนี้เอ า, เอาปูนการะผาไว้หลับมันมันต้องตื่นเต้นทุกขั้นตอนใช่ไหมเพราะเวลาเราอยู่ปกติลมหายใจแบบนี้เพราะทาท่าปฏิบัติหน่อยเอ๊ะลมหายใจมันเดี๋ยวเถอะเรารู้เนี่ยเดี๋ยวมันจะหายใช่ไหมแล้วเราบอกว่างวดนี้หายไม่ได้เนี่ <c oughs> มันตั้งหลักอย่างนั้นเลยเรืองนี้จะต้องดูทุกขั้นตอนตเวลาปุบขึ้นมามันมีเสียงพุบไปปั๊บนั่นนี่ไปแล้วมันตื่นเต้นเลยนะ แม่นขนาดเสียงแก๊กเดียวมันวิ่งไปนู่นแล้วเนี่ยเกือบไม่เห็นเกือบไม่ทันลมไปเลยมันตื่นเต้นใกๆเหมือนขับนะรถเน่ยเคยขับรถไหมเคยขับไหมถามว่าหลับได้ไหมเอ้ต้องคอยเรามาระวังมันตื่นมันสนุกด้วยนะถ้าไม่สนุกเซ็งอยากหลับเลยใช่ไหมล่ะหรือทํากับข้าวอะ่ะเคยทาอาหารทํากับข้าวไหมสนุก้ไหมใส่อะไรโอ้โหมีความสุขเคยเล่นไพ่ไหม คยว่โอ้โหตื่นเต้นมากเลยอันเดียวกันมันอันเดียวกันกับการเจริญนานาประสาทสติถ้าเป็นอย่างนั้นเราโอ้โหได้ได้โปดเคยเล่นไพ่ไหมหลับไหมพอถือไพ่มาหลับไม่มีไม่มีอะไรใช่ไหมอันเดียวกันอะไะเฮ้ดูดูหนังแบบตื่นเต้นตื่นเต้นไหมดูหนังแบบสนุกอ่ะแล้วมันหลับไหมทําไมไม่หลับเหรอจากนั้น จเจริญอนาปนานปสติเหมือนดูภาพไปยังใครดูสตาร์วอลไหมใครดูไหมโอ้โห oh, หลับไม่ได้เลยโออย่างี้มลงวิ่งเข้าวิ่งรอกรู้สึกมันแมรู้สึกตื่นเต้นคนจเจริญอนาปนานะสติมันต้องต้องคิดอย่างนั้นต้องปรุงแต่งจิตขนาดนั้นแล้วประสบความสาเร็จทุกคนแล้วเขา้าแล้วเข้ารวมเป็นหนึ่งฟุ้บเรียบร้อยเลยประสบความสาเร็จอันนี้ตั้งท่าก็หลับแล้ว <c oughs> เรื่องเลยเราจใจอย่างตจอเนี้ยแต่ปรุงแต่งจิตให้ได้อย่างนั้นใช้ได้ไม่มีหลับถ้ายังไม่สนุกอยู่เพิ่งทำใช่ไหมไม่ตื่นเต้นอยู่เพิ่งทําแสดงว่าเรายังปรุงแต่งจิตไม่ได้เรื่องหรอกใช่ไหมถูกบงังคับให้เรียนเนี่ยเซ็งแม่ตีทุกวันไม่อยากเรียนเราไมีนั่งเซ็งเจอหน้าครูก็เซ็งเจอบทเรียนก็เซ็งเจอเรื่องราวอะไรก็เซ็งไม่อยากอยากจะกลับอย่างเดียวยนี่แกไม่ได้ โอ้โห oh, ถ้าใจรักขึ้นมาโอ้ย oh. มันเรื่องเดียวกันทุกเรื่อง mm hmm. กวาดบ้านแล้วมีความสุขกับกวาดบ้านเซ็งกินอาหารเรามีความสุขกินอาหารแล้วเซ็งนอนเรามีความสุขน อ, าานอนแล้วนนลเซ็งใช่ไเดินมีความสุขเดินแล้วเซ็งดูลมมีความสุขดูลมแล้วมันเซ็ง <c oughs> อันเดียวกันเขาหลาอย่างมันอันเดียวกันนั่นแหละ ถ้าทําให้เป็นเรื่องที่สนุกสนานได้เมื่อไรก็สอบความสําเร็จมาเลยถ้าใครจะมายุ่งอย่างๆอ อ, ออกไปไปลองตื่นเต้น <c oughs> จะมีโทรศัพท์มาโอ้ยตื่นเต้นน้อยกว่าดูลมมีความสุขมากกว่าเยอะใช่ไหมละ่ะช่วงเวลานี้ห้ามคนรบกวนแต่เราจะมีความสุขกับการดูลมศึกษาลมวิจัยลมแยกแยะลม ลมเข้ามันอีกอย่างลมออกมันอีกอย่างลมสั้นมันอีกอย่างลมยาวมันอีกอย่างลมละเอียดมันอีกอย่างลมหยาบมันอีกอย่างโธสากเกิดขึ้นลมมันเป็นอีกอย่างโลภะเกิดขึ้นลมมันเป็นอีกอย่างโมหะเกิดขึ้นลมมันอีกอย่างเวลาหดหู่ลมหายใจเป็นแบบนี้เวลาตื่นเต้นลมมันเป็นแบบนี้เวลาปุงซ่านลมมันเป็นอย่างนี้เวลาสติเกิดขึ้นลมเป็นอย่างนี้เวลาปัญญาเกิดขึ้นลมเป็นโอ้โหสุดใจเยอะมากเข้าใจไหมล่ะมันต่างกันหมดเลย เวลาศัทถาเกิดโอ้โหดูลมเป็นขนาดนี้เวลาสมาธิเกิดไม่ลมมันนิ่งเลยนะลมมันนิ่งแนบชิดเลยนะเด่๋ยวเราฟงซานโอ้โหลมปุ๊บป๊า บ, บ, บเลยมันเห็นหมดเลยอย่างเงี้ยเข้าใจยังมันต่างกันอย่างนี้มันต้องน่าศึกษามันน่าเรียนรู้โอ้โหเรายังไม่ฉลาดเรื่องลมยังโง่เรื่องลมอีกเยอะเลยโอ้ยต่อไปเราอยากรู้ตื่นเต้นมากเข้าใจยังหนูเข้าใจยังในี่ยเนี้ยวนเอาเวลาโกรธลมหายใจเป็นยังไง เวลาหูกโกรธเนี่ยลมหายใจเป็นยังไงเบาเรียบเลยไหมเป็นงั้นไหมหรือหายใจยังไเป็นไ ง, เ, นไงเวลากโกรธลมหายใจยังไงแรงไหมเวลาโลภ ก, กำหนัดยินดีเพลิดเพลินเป็นยังไงตื่นเต้นเป็นยังไงใช่ไหมเวลาเกิดในใจผ่อนคลายลมหายใจเป็นยังไงใช่ไหมมันไ ม, นมน่คนละเรื่องนี่เรายังไม่รู้เลยเขาให้ไปศึกษาเรื่องลม ว่ามันต่างกันยังไงกลับมามาสอบถามยังมือเท่าเดิมไรู้เรื่มได้ไงห้หลับจะเอาแต่แสงอย่างนั้นแหละก็ให้ศึกษาคําว่าสิกคติเนี่ยไปศึกษ า, ศ, กษาศึกษาว่าจะกําหนดรู้ลมให้ใจเข้าศึกษาว่ากําหนดรู้ลมให้ใจออกให้ไปศึกษาว่าเวลากโกรธเนี่ยลมให้ใจมันเป็นยังไงเวลาโลภเนี่ยลมให้ใจมันเป็นยังไง เวลาเวลาหลงเนี่ยลมหายใจเป็นยังไงลังเลสงสัยเนี่ยลมหายใจเป็นยังไงกำหนั ด, นงงดมันเป็นยังไงขัดเคืองมันเป็นยังไงหดหูท้ททอถอยลมหายใจเป็นยังไงฟุ้งซ่านลำคาญใจลมหายใจมันเป็นอย่างไรเวลาสัทธาเกิดขึ้นลมหายใจเป็นยังไงสตเสาาิเกิดขึ้นสมาธิเกิดขึ้นความเพียรเกิดขึ้นปัญญามันเด่นเนี่ยลมหายใจมันเป็นยังไงอู้เห็นทุกขั้นตอนเลย่เห็นรายละเอียดตื่นเต้นไหม น่าทำไหมมันไม่ได้มีอย่างที่เราเข้าใจนะอย่างมีอะไรเลยหายใจฟเข้าออกเข้าออกอย่างนี้มันไม่ใช่แค่นั้นมีรายละเอียดอีกเยอะ <ś of course> เข้าใจก็ <ś of course> ยอมเวลามันเวลาเวลาคิดถึงบ้านเราไม่ใจเป็นเงินสมมุติว่าแฟนออกจากบ้านแล้วเกิดะแวงกันเป็นมีใหม่หรือเปล่าเราไม่ใจเป็นไงอ <ś of course> ลมหายใจเป็นไงไปกินข้าวจริงเขาบอกว่าวลมหายใจมันเริ่มทีใช่ไหมแลเห็นไหมว่าจริงๆมนุษย์เราที่ลมหายใจไม่เสถียรเพราะาใจไม่นิ่งและในขณะที่ใจนิ่งมันนิ่งแบบโลภะ ก, ก็ได้นิ่งแบบอยากได้คนที่จ้องอยากจะได้เขาลมหายใจก็เป็นอีกอย่างหนึ่งจ้องเวลาจะโกรธเขาลมหายใจอีกอย่างใช่ไหมมันจะได้ศึกษาหมดเลยนะเขาก็ฉลาดในเรื่องลมทุกขั้นตอน นั่นจะแปลกใจกับคนดูลมก็บรรู้นะบางทีรู้ลมด้วยรู้ปิติด้วยหายใจเข้าหายใจออกรู้ลมด้วยรู้สุขด้วยหายใจเข้าหายใจออกรู้ลมด้วยทำจิตให้บันเทิงด้วยหายใจเข้าหายใจออกโอ้มีเยอะเลยใช่นไหมโอ้มีรายละเอียดเยอะอคนไม่เคยรู้รายละเอียดกันก็ไปเข้าใจว่าโอ้เรื่องลมยัง ม, มีเนาะไม่มีอะไรเลยว่างนะั้นบางคนดูลมมา ถามว่าปฏิบัติมากี่ปีแล้วบอโอ้โหปฏิบัติมาทั้งทั้งชีวิตถามว่าถามจิตหจิตบันเทิงหายใจเข้าหายใจออกเป็นยังไงไม่รู้เรื่องแล้วจิตโทโถวไม่รู้เรื่องปีติหายใจเข้าหายใจออกรู้ไหมไม่รู้ต่างกันยังไงเวลาปีติหายใจเข้าหายใจออกกระสุบหายใจเข้าหายใจออกลมหยาบกว่ากันหรือเปล่าละเอียดกว่ากันแค่ไหนผมไม่รู้อะไรหยาบกว่ากันอะไรละเอียดกว่ากันถ้าถามโยมตรงนี้ก็นั่งตกบันไดกันเลยต่อบตอบไม่รู้ตอบไม่ผ่านเรื่องลมเข้าใจยัง เลวฉะนั้นอยแปลกใจเลยคนเนี่ยอาณาปณะสติถ้าคนฉลาดเรื่องอาณาปณะสติเนี่ยเป็นคนที่รู้แม้กระทั่งวาระสุดท้ายของการหายใจมีพารูปหนึ่งท่านสําเร็จอาณาปณะสติท่านก็ถามอกว่าท่านทั้งหลายเ อ, อท่านเคยเห็นคนที่ปฏิปัพานแบบไหนบ้าง โอ้ยเล่ามาหมดเลยออกไปปรินิพานก็มีทำอะไรปรินิพานเดินลาเขาก็ปรินิพานทำอะไรเบ็ดเสร็จบอ ก, กเดี๋ยวผมจะปรินิพานให้ต่างจากคนอื่นนะอะต่างยังไงผมรู้แล้วลมผมหายใจเข้าออกผมจะหมดเวลาไหนอะท่านไปขีดไว้เอาไปขีดไอเอาใช้ไม้ขีดแผ่นดินไว้แล้วขีดแผ่นนี้ไว้ทางด้านนี้ไว้เดี๋ยวผมจะเดินจากนี้จะไปเหยียบนู่นนะั่นแล้วก็จะเดินกลับมาพอเท้าผมเหยียบที่ขีดไว้เนี่ย ผมจะนิพพานตอนนั้นเลยผมรู้ว่าลมในใจผมจะดับตอนนั้นเยพราะผมฉลาดในเรื่องลมมากที่สุดโอ้โหขนาดนั้นเลย้ท่านก็ทําให้ดูเลยพระทุกคนก็ไปประชุมกันก็อยากดูยังไงว่าท่านจะนิพพานขนาดนั้นเลยเลยท่านก็มาเดินค่อยๆเดินเดินเดินเดินเดินไปเหยียบปุ๊บฝั่งน้นปุ๊บก็ค่อยๆเลี้ยวกลับมาแล้วก็เดินเดินเดินหายใจข้างหายใจออกเดินเดินพอเท้าอีกเท้าหนึ่งมาเหยียบ เส้นปุ๊บแล้วอีกท้าหนึ่งพอไปถึงที่ปุ๊บปรินิพานจุตติเกิดทันทียืนปรินิพานเลยนี่นี่จบเรื่องอาณาปณะสติเรียบร้อยนี่ย <c oughs> จบแล้วนี่ยเข้าใจอย่กันึงมีอธิบายเรื่องอาณาปณะสติจบแล้วเห็นไหมอาจารยมม์บอก หน้าที่บการทให้การตั้งันยิ่ในมาราที่มีเหตุปิเป็นหน้าที่เป็นิบัติทยังไงถ้าเกิดมราที่มีชเนเป็นสโตหรือว่าเป็นรใจอะไรเะต้องทให้ช่นชม่นงไง ทำแท้เจอตรงนี้ต้องให้ทาความเข้าใจอย่างนี้นะอธิบายนี่นะว่าอือคือในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาเกิดมาในโลกใบนี้หรือเกิดมาในพระโริจักรวาสเนี่ย กรรมของเขาเป็นตัวกาหนดที่เขาควรจะอยู่หรือไม่อยู่แค่ไหนอย่างไรแต่มนุษย์เราเนี่ยบางครั้งก็ไม่เข้าใจกระบวนการธรรมชาติของกรรมและบทของกรรมเราชอบเอาความรู้สึกความเห็นทัศนคติของเราหรือการเรียนรู้ที่เราเรียนรู้มาแบบที่ไม่เข้าใจความจริงของกระแสชีวิตในการไปตัดสินใจเช่น พอเราเห็นสุนัข<ๆ>เห็นแมวเยอะๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออทําหมันมันซะเลยตรงนี้เนี่ยหรือว่าเออเนี่ยมันเป็นบ้าแล้วควรจะฆ่ามันซสมันเจอปิดปิดสุนัขบ้าเดี๋ยวมันจะไปกัดคนอื่นแล้วเป็นอันตรายในกรณีอย่างเนี้ยเรามีหนึ่งสัตว์มีชีวิตสองรู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตสามมีจิตคิดจะตัดรอนกระแสะชีวิตเขาแล้วก็สี่ก็ทําความเพียรเพื่อฆ่า สัตว์นฆะ่าสัตว์ก็ตายลงเพราะความเพียรนั้นตรงเนี้ยไม่แปลกหรอกในสิ่งที่เราไปเรียนรู้มาแล้วเขาก็บอกว่านี่เป็นหน้าที่แล้วเขาก็บอกเราว่าอันนี้มันเป็นหน้าที่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีหน้าที่ในการไม่มีสัตว์ไม่มีกระแสชีวิตไหนหรอกที่ว่าเขาอยากจะตายก่อนกําหนดเขาควรจะมีชีวิตอยู่ ห้าสิบปีแต่เราไปตัดร่อนให้่ยเขาอยู่เพียงแค่สิบปียี่สิบปีเขามีคนจะมีชีวิตอยู่สิบวันแต่เราไปตัดรอนก่อนจะถึงสิบวันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนั้นแหละคือเป็นเจตนายการตัดรอนกระแสชีวิตก็ต้องเข้าใจว่าไอ้ชนความหวังดีปรารถนาดีนั่นว่ากันอีกอย่างตามความเข้าใจของมนุษย์หรือของคนนั้นๆแต่จริงๆแล้วก็คือว่าเหมือนคนคนนี้เขาเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้าย แต่ระยะสุดท้ายของเขาเนี่ยตามกําลังกรรมที่เขาควรอยู่เนี่ยเขาควรอยู่ได้เดือนหนึ่งแต่ลูกเห็นว่าตัวเขาทรมานเหลือเกินอยากกันนั้นเลยให้หมอเนี่ยเอายาอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวไปจัดการฉีดหรือแม้แต่เป็นความร้องขอของคนไข้เองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในกรณีอย่างเนี้ยกระแสกรรมเขาที่ต้องให้เขาอยู่เนี่ยเดือนหนึ่งแต่เราไปตัดรอนก่อนกําหน ง, งนั้นก็ชื่อว่าการปรอง ชีวิตสัตว์ให้ล่วงไปก่อนกำหนดทั้งนั้นทีนี้ถามว่าเจตนากรรมเหล่านี้เป็นเจตนากรรมที่เป็นเป็นเจนริญนงหรือเป็นความจงใจที่จะทำให้กระแสชีวิตของเขาเนี่ยหยุดการสืบต่อในพบหนึ่งหนึ่งก่อนกาหนดที่ควรจะเป็นเวลากรรมเหล่านี้ให้ผลมันก็ย้อนกับผู้กระทามันก็ย้อนกับอย่างนั้นแหละ ว่าเราควรที่จะอยู่ในโลกใบนี้เท่าไหร่มันก็จะถูกตัดรอนเหมือนกันเพราะมันมาจากเจตนาตัดรอนใช่ไหมเออต้องเข้าใจด้วยนะมันเรื่องเหตุและผลมันเป็นเรื่องเหตุและผลแต่ส่วนคำว่าเรามีความหวังดีนะอันนั้นอันนั้นว่ากันอีกอย่างมันมีความหวังดียกตัวอย่างเช่นมีคนคนหนึ่งขึ้นไปบนต้นไม้สมัยก่อนเรื่อง ต, ต, ต, ต้นมะต้นต้นหมา ไอ้ต้นหมากเนะี่ยมันหักที่มันหักมันไม่หักเหมือนต้นไม้ทั่วๆไปหักเสร็จเพะมันพุ่งลงอย่างนี้ยไอ้เจ้านี้ขึ้นไปยังหักแล้วพุ่งลงเนีไม้ก็กระแทกทิศวานที่กลนค้างอยู่ไอ้ต้นไม้ร้องพ่อช่วยด้วยพ่อช่วยทรมานเงี้ยพ่อเห็นร้องไห้โอ๊ยลูกทรมานเหลือเกินก็วิ่งไ ป, ไปเับปืนเพราะ ไม้เสียบเข้าไปครึ่งตัวแล้ว น, นึกว่าเอาและเนี่ยเราหวังดีกับลูกเล้ไม่อยากให้ลูกทรมานก็เลยใช้ปืนยิงลูกก็ตายนี่เห็นไหมว่าแล้วก็มาคุยให้พระให้ใครฟังตลอดเนี่ยโอ้หเนี่ยผมยังภูมิใจจนทุกวันได้ช่วยให้ลูกไม่ไ ม, ไม่ทรมา น, นเห็นไหมว่าไม่ได้ช่วยให้ลูกไม่ทรมานเห็นแล้วน่าการุณานทรมานแล้วเกิด เห็นพ่อดิ้นทรมานก็หรือเห็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเห็นสัตว์ตั้งหลายกําลังทรมานก็แล้วแต่เนี่ยโอ้โหเนี่ยเขาทุกข์ทรมานอย่างนั้นเลยเขาจะได้ไม่เจ็บปวดอีกต่อไปก็ไปจัดการหรือเพื่อนหรือคนบางคนเนี่ยเป็นโรคร้ายทุกข์ทรมานเป็นมะเร็งไปไปมาก็เอาปืนมายิงตัวเองตายคิดว่าไม่อยากจะทรมานต่อไปอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมนั่นคือความเห็นความเห็น แต่ความจริงคือกรรมที่ทำไว้จะทำให้กระแสชีวิตยอยู่แค่ไหนเขาก็ควรเป็นไปตามกรรมและการการะทาของเขามองออกไหมแต่ความเห็นของเราเนี่ยไปตัดรอนเนี่ยเราก็ต้องยอมรับด้วยนะเราบอกว่าเจตนาดีถ้ากรรมแบบนี้มันให้ผลเราเขาก็จะเจตนาดีกับเราเหมือนอย่างนั้นแหละนะเจตนาดี ว่เออเนี่ยท่านคนนี้ทรมานเนาะอยากให้ต้องทรมานต่อไปเลยอย่ากันนั้นเลยตัดรอให้ก่อนกําหนดนั้นเวลากรรมให้ผลเราก็ต้องยอมรับความจริงนั้นด้วยอันนีอนน้อันนี้มองออกไหมว่ามันเรื่องเหตุและผลบุคคลทํากรรมเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นถ้าทํากรรมดีก็ต้องได้รับผลดีทำกรรมไม่ดีต้องรับผลไม่ดีใช่ไหมนี่ต้องเข้าใจเรื่องเหตุและผลหลักรอยิกหลักเหตุผลมันเป็นลักษณะแบบนี้ แค่นั้นถ้าถามว่าในกรณีที่เราหรือการแพทย์ในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะไปดูก่อนว่าเออเนี่ยเด็กในท้องอพิการบ้างเป็นปัญญาอ่อนบ้างหัวโตบ้างมีโรคอะไรทุงสารพัดหมดแต่ไปมามาก็ถ้าให้เกิดมาจะเป็นอันตรายเขาวินิจัยแล้วก็จะเป็นปัญหาอะไรอีกเยอะก็เลยหรือบางทีบอกว่าเนี่ย ถ้าไม่ออกแม่จะต้องตายก็เลยตัดส้นใจเลยว่าอาจัดการซะเลยประเด็นมันอยู่ว่าความรู้ความเข้าใจของของการแพทย์เนี่ยมันรู้เพียงแค่รูปธรรมแต่ไม่สามารถเจาะเข้าไปรู้ถึงด้านนามธรรมคือจิตใจเพราะมันสามารถพิสูจน์ได้แค่รูปธรรมและความรู้ของแพทย์เนี่ยไม่สามารถไปรู้กรรมในดี ว่าเขาทำกรรมอะไรมาเขาจึงได้รับผลแบบนี้และไม่รู้ว่าเมื่อเขาเขาอยู่ในอัตภาพตรงเนี้เขาจะรอดหรือไม่รอดอย่างไรก็รู้ไม่ถึงรู้ไม่ลึกและเป็นอันตรายมากน้อยเพียงไรก็ได้แต่สถิติได้แต่สันนิษฐานอาจจะเป็นได้มไม่ได้มีหลักเหตุปัจจัยและรายละเอียดอีกเยอะมากแต่ด้วยการที่เราใช้หลักการพิสูจน์เพียงหลักวิทยาศาสตร์เพียงด้านเดียวซึ่งเหตุปัจจัยมันมีมากเหลือเกินในกรณีที่เราจะวิ่งไถ่แต่และเรื่องทั้งหลา ย, ย่างนี้ มันเกินที่ปัญญาของมนุษย์จะไปรู้ว่าสัตว์เหล่านี้สมควรอยู่หรือไม่อยู่ทั้งหลายเหล่านี้เรากลับกลายเป็นเอาหลักความคิดเห็นหรหลักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเพียงแง่ใดมุมหนึ่งเป็นตัวตัดสินใจแต่เมื่อทําไปแล้วก็ต้องยอมรับว่าถ้าผลแหละนั้นเกิดกับเราถ้าชีวิตของเราจะอยู่แต่จะมีอะไรที่จะตัดร้อนก่อนกําหนดเราก็ต้องยอมรับผลการการกระทําโดยไม่เจ็บปวดกับมันทางนั้ น, น, น, นจิตใจด้วยนะ อาจจะมีคนปรารถนาดีกับเราใช่ไหมเห็นเรานอนนอนสมองตายเงี้ยเขาก็บอกเอออย่าไปเอาเครื่องช่วยหายใจไปช่วยเลยปล่อยตายตายไปสมมุ ต, ต, ต, ต, ติเงี้ยนะหรือว่าอยากกันนั้นเลยปล่อยมันทรมานไปอย่างนี้ไม่ได้ลราเอายามาฉีดให้ซะเลยถ้าขืนขืน ข, นขืนปล่อยว่านี่สงสารแม่สงสารพ่อเขาก็จะคิดกับเราแบบนี้เหมือนกันแต่เพียงว่าใครต่างหากที่จะเป็นผู้ไปทํากรรมนั้นต่อ แล้วก็ต้องรับผลการกระทํานั้นต่อทีนี้อย่าลืมนะว่าเด็กคนเนี้ยหรือสัตว์เนี้ยที่เกิดมาเนี่ยเขาก็ทํากรรมมาที่จะต้องถูกตัดรอนแต่เผอิญมันมาตกกับเงื่อนไขที่เราไปตั้งเจตนาไว้อย่างนี้ ซ, ซึ่งถ้าเราไม่ทําคนอื่นก็กทําแต่เราไม่เราเรากลับไปอยู่ในเงื่อนไขที่จะไปทําเราก็เลยไปผูกกรรมต่อเขาใหญ่ยัง ซึ่งเราจะเดินออกจากจุดนั้นก็ได้เพราะคนอื่นมันก็ทำกรรมอย่างนี้แล้วก็เป็นกรรมของเด็กนั้นที่ต้องถูกตัดรอนเป็นต้นด้วยแต่เพียงว่าเราจะไปทากรรมเหล่านั้นเพื่อจะเบียดเบียนกระแสชีวิตของเราในอนาคตหรือไม่หรือจะส่งเสริมอันนี้ทั้งหมดเหล่านี้ก็ต้องเข้าใจให้ชัดเมื่อเราเข้าใจแล้วถ้าทำแล้วก็ต้องยอมรับสิ่งที่มันจะตามมาถ้าเราจะต้องมีอายุที่ถูกตัดรอนก่อนกาหนดก็ไม่เป็นไร มันเรื่องเห็นแล้วผลพอจะว้องเห็นไหมวางอย่างนี้พอจะทุกข์ใจไหมต้องไม่ทุกข์ใจต้องให้รู้ว่าอ๋อเรารู้ความจริงแล้วและต่อไปเราจะมีวิธีการกระทำอย่างไรที่จะทำให้ตัวเราเองเนี่ยได้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดหลีกเลี่ยงในสิ่งที่จะเบียดเบียกนกระแสชีวิตถามบอกว่า ทุกชีวิตเราไม่มีสิทธิ์เป็นผู้พิพากษาเป็นตัดสินใจเขาเราไม่มีสิทธิ์แม้ผู้พิพากษาก็ไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินว่าคนนั้นควรติดคุกหรือไม่ควรติดคุกแต่กรรมที่เขาทาเป็นตัวตัดสินเขาการกระทำของเขาต่างหาตัดสินเขาเองฉันไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวเราอาจจะมีหน้าที่อ่านสารก็ได้ แต่มันเป็นเรื่องกติกาเขาทำของเขาเองถ้าผู้พิพากษาวางท่าทีทางใจอย่างนี้ได้มันก็พ้นใช่ไหมล่ะแต่ถ้ า, าโอโสมน้ำหน้าอย่างนี้สมควรตายสมควรติดคุกสมควรต้องโทษเออนั้นอีกก็อีกอย่างอันนี้แปลว่าเราไปเล่นกับเขาแล้วเราไปเล่นเราใช้ความเห็นของเราใช้ใช้ข้อมูลได้ทัศนคติของเราใช้ความชอบใจไม่ชอบใจของเราไปเล่นแล้วอันนี้แปลว่าห้ามทำตัวเป็นผู้พิพากษา ให้มองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นแล้วก็ปฏิบัติต่อสิ่งนั้นให้ดีที่สุดถ้าเราไปทำตัวเป็นผู้พิพากษาขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วเนี่ยเช่นว่าคนนั้นต้องอย่างนั้นคนนี้ต้องอย่างนี้ขึ้นมาเราจะได้เพียงแค่ชอบใจและไม่ชอบใจเราก็ปฏิบัติต่อธรรมะนั้นไม่ถูกต้องเหมือนหนูเป็นคนขยันอ่านหนังสือแต่ไม่ค่อยดูแลสุขภาพร่างกายไม่ค่อยออกกาลังกายฉันไปบอกว่า ทำไม่ถูกต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นีออนน่ฉันท่นตัวผู้วิพากษาที่ผิดฉันก็ต้องถ้าจะบอกฉันต้องบอกบอกว่าหนูหนูขยันอ่านหนังสือเป็นเรื่องที่ดีนะแต่หนูก็ต้องยอมรับนะดูหนังสือได้ท่าทางท่านั่งที่ไม่เหมาะสมแล้วดูหนังสือไม่เปลี่ยนเวลาเวลาควรไปออกกําลังกายไม่ออกเวลาไปกินอาหารไม่ตรงเวลาไม่ควรไม่ไปกิน เวลาในการที่จะไปเปลี่ยนอียรบทไม่ไม่ไปเปลี่ยนหนูก็ต้องยอมรับได้หนึ่งหนูได้ความรู้แต่สุขภาพหนูเสียหนูก็เลือกเอาถ้าหนูจะเลือกเป็นแบบนี้ทั้งหมดเหล่านี้หนูทําเหตุอย่างไรมันจะได้ผลแบบนั้นฉลาดแต่สุขภาพแยงนหรือบางคนเอาเด็ดออกกําลังกายออกไปดูแลสุขภาพแต่การศึกษาข้อมูลทั้งหลายไม่เอาเลย เออนี่กําลังกายดีแต่ปัญญาแย่อะไรเนี้ยเนี่ยนีหนูก็ต้องเนียบอกเหตุบอกผลครับเรามีหน้าที่อย่างนี้แล้วก็ให้เขาเลือกในสิ่งที่เขาจะเป็นถ้าอย่างเงี้ยเขาจะได้เห็นเหตุเห็นผลว่าทําอย่างนี้ต้องได้อย่างนี้ทําแบบนี้ได้อย่างนี้ทั้งหมดเหลนี้คุณเป็นผู้ทำเองแล้วบอกให้ได้เขาจะทําหรือไม่ทําเป็นเรื่องของเขาเพอจะเห็นไหม <c oughs> ก็ไอ้ตรงไอ้ตรงนี้แหละตรงนี้แหละที่ว่าจะเล่าที่ฉันพูดให้ฟังก็พอจะชัดว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราคนเราจะเลือกว่าเราจะเดินทางไหนอย่างไรมันมีวิธีเยอะแยะหมดเหมือนผู้พิพากษาเนี่ยผู้พิพากษานี่จะเข้าไปเล่นกับกับเรื่องการทำกรรมที่เป็นผลกระทบกับตัวเองก็ได้หรือไม่ให้กระทบก็ได้เช่นว่า ออย น, นี้ชั่วเราอ่านมาแล้วเราไม่ชอบก่อนจะเขียนคําตัดสินใจตัดสินไปก็เจตนาตายใช่ก็ดีตายใช่ก็ดีโลกมันจะได้สูงขึ้นประเทศมันจะชาติเจริญขึ้นก็คิดปุงแต่งไปแต่นั่นแค่แปลวคุณเข้าไปเล่นเล่นกับเขาเรียบร้อยไปแล้วมีเจตจำนงค่าเขาเรียบร้อยมีเจตจำนงประหารประหารก็เรียบร้อยทั้งทั้งที่ทไม่ได้เกี่ยวกับคุณเลยมันเป็นเรื่องกรรมที่เขาทาก็เหตุผลที่เขาทาตามนั้นเขาก็ต้องได้รับผลการกระทำนั้น ฉันก็เพียงเป็นเพียงว่ามาอ่านหรือมามาชี้แจงให้มันให้สมเหตุสมผลตามนั้นฉันไม่มีส่วนฉันปราถนาให้คุณปลอดภัยปราถนาให้คุณมีความสุขปราถนาให้คุณมีอายุยืนปราถนาให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตนั่นแหละแต่กรรมว่าการการะทําสัตว์โลกทั้งหลายเป็นไปตามกรรมแม้เราไม่ได้เคยรังเกียจคนคนนี้เราไม่เคยเป็นศัตรูคนคนนี้แล้วก็ปราถนาให้เขาอยู่ดีมีสุข แต่เขาทำกรรมใดไว้ดีที่ชั่วเขาต้องรับผลการกระทําถ้าอย่างนี้ผู้พิพากษาก็พอจะปลอดภัยบ้างแต่ถ้าผู้พิพ า, ากษาคนใดกระโจนไปเล่นเอง <S <S เรียบร้อยพ <c oughs> อ, ออๆเนี่ยหรือเหมือนเป็นทนายเนี่ยลุยมันลุยเลยจะต้องเอามันเอามันให้ตายให้ได้เอาให้เข้าคุกให้ได้ <c oughs> โอ้โหหาหลักฐานเสริอมอะไรอีกเยอะแยะหมดได้อยูเลยแต่ถ้าทําไปตามเหตุตามผล เขาสมควรยังไงเป็นระตามเหตุปัจจัยที่เขานั้น ก, ก็อีกเรื่องหนึ่งดังนั้นตรงนี้ห้ามเป็นผู้ห้ามไปเข้าไปลุ้นเพื่อจะให้เขาเป็นหรือไม่เป็นตามที่เจตนาเจตนาที่เรานะันถ้างั้นแปลว่าเรา ก, เราก็เราก็เสียหายทั้งหมดเหล่า น, นี้ถ้ารู้ว่าตนเองเป็นที่รักถ้ารู้ว่าความเจ็บปวดความผิดหวังความเป็นผู้มีอายุสั้นความเป็นผู้มีโรคภัยไข้เจ็บมาก ความเป็นผู้มีทรัพย์น้อยความเป็นผู้ผิดหวังทั้งหลายไม่เป็นที่ชอบใจพวกเราก็อย่าทํากรรมชั่วอย่าเบียดเบียนตัวเองใช่ไหมถ้ารักตัวก็ต้องรักถ้ารักตนเองให้ถูกต้องก็ต้องเอาตนเองให้รอดในสังสารวัฏและต้องให้ปลอดภัยแต่ถ้ารู้ว่าช่างหัวมันถึงมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันก็ลุยเลยจะิน แต่พระไม่ได้ยุ่เนี่ยแต่คุณคิดเองเนี่ยให้เข้าใจพอจะพอออกไหมเออนั่นแหละมันมีวิธีหมดในโลกใบเนี้ยมันไม่มีติดตันอะไรหรอก <autre> เพียงว่าเราจะเลือกเดินทางไหนมันมีช่องเป็นล้านล้านช่องเราจะเลือกช่องที่ส่งเสริมตัวเองก็ได้เ<ส><ญ>บียดเ บ, บียนตัวเองก็ได้ก็จงเลือกทางที่ดีที่สุดแล้วก็รอดปลอดภัยที่สุดแล้วก็ให้ตนเองได้ประสบความสมบวัง เพราะเราไม่ชอบความผิดหวังใช่ไหมเพราะอย่าสร้างเหตุความผิดหวัง mm hmm. ก็สร้างเหตดความสมบัติชีวิตเราจะได้ประสบความสุขนี่มามาก็ตอบลงรายละเอียดพอสมควรเนะืใช่ไหมทุกคนก็เป็นเจ้าของกรรมอยู่แล้วเป็นเจ้าของการกระทําและเป็นผู้รับผลของการกระทําไม่มีใครมารับสุขรับทุกข์แทนเราเมื่อเราทําลงไปเราก็ต้องเป็นผู้รับผลของสุขและผลของทุกขนะ์นั้น ศาตร์โลกเป็นไปตามกรรมแบบนี้แหละสามีไปรับกรรมแทนภรรยาก็ไม่ได้ก็เหมือนจอยจะไปเจ็บท้องแทนภรรยาได้ไหยไม่ได้มันเจ็บแทนกันไม่ได้อีกคนหนึ่งท้องนี่คนนึงก็ต้องก็ต้องก็ต้อ ง, ต, องต้องปวดในท้องเองก็นี่บอกว่าเออเดี๋ยวขอปวดแทนหน่อยไม่ได้ไเข้าใจไหมเหตปัจจัยมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเห็นใจได้ช่วยเหลือได้เกื้อกูลได้แต่ก็อยู่ข้างนอก จะไปเอาความรู้สึกไปอีฉันเจ็บแทนฉันเจ็บแทนไม่ได้มันกินอาหารเนี่ยอีกคนหนึ่งกินอีกคนหนึ่งอิ่มไม่ได้แล้วมันมันใครกินคนนั้นก็ต้องอิ่มแล้วไปย่อยแทนกันยังไม่ได้ด้วยเนี่ยใช่ไหมเห็นตัวเตโชธาที่ไปเผาย่อยอาหารก็ของใครก็ของมันก็ไปย่อยแล้วก็เอาสารอาหารไปหล่อเลี้ยงในกระแสร่างกายมันก็ต้อง มันต้องเป็นไปตามว่าเป็นที่พึ่งตนเองจริงๆนะเห็นไหมว่าพ่อมองเห็นนี่ยงหนูจะประสบความสมหวังและผิดหวังพ่อแม่ทำให้หรือหนูทำเองหนูต้องทำเองแล้วก็รับผลของการกระทำทั้งดีและไม่ดีไม่เราจะไปอ้างว่าไม่ทำไม่ได้เดี๋ยวเขาฟ้องก็นเนี้ เขาก็ไม่เห็นต like ้องเป็นใครไป็นฝงกันเพราะเขาไม่เลือกที่จะเป็นแบบนั้นเขาเลือกช่องทางว่าจะไม่ไปอยู่ในจุดจุดนั้นหรือเลือกช่องทางในกรณีแม้อยู่ในจุดนั้นก็ฉลาดเหมือนกับไปเป็นผู้ว่าษาแล้วทำยังไงเออเขฉลาดในการวางท่าทีทางใจใช่ไหมเอากูไว้ว่ากันในรายละเอียดอย่างนี้เป็นต้นเป็นอาทิตย์ บาราบอยากเห็นหน้าอาจารย์เนี่ยมีมีใครอยากถามอะไรอีกไหมมีไห ม, มหมดแล้วนะหนูมีอะไรหมเแล้วหนูมาฟังนี่แม่บังคับมาหรือมาเองฮะมาด้วยแม่บังคับมาอ่อยนะอยากมาเนาะเออ พูดแบบนี้พระไม่พระไม่อึดอัดย์เจ้าพ่ออให้กับียอ๋อก็นี่นี่ก็พระมาจากวัดทรรมมงคลอ๋ออ๋อจะไปบวชพระบวชกี่วันอ๋อ บวชบวชกี่วันนะอ๋อเรียกว่าบวชตลอดชีวิตแต่ก <c oughs> ็บวชตลอดชีวิตไม่กลัวเลยถ้าเกิดทหาไปบวชเสร็จปุ๊บแล้วก็เกิดก็บวชตลอดชีวิตจะยุ่งเลยใช่ไหม ร้องไห้ไหมถ้าพ่อปวดตลอดชีวิตร้องหรือไม่ร้องฮะดีใจไหมใช้ยโย่ของนี้วะดีเหลือเกินจะได้ไม่มีใครมาบ่นนี่ดีใจงี้ว่ดีใจอย่างนั้นชื่ในใจเลยวะจริงๆอยากให้บวดแค่ยี่สิบวันใช่ไหมใช่ไหม อมีเงินไขจริงๆแล้วเนี่ยทฤษฎีปล่อยเสือเข้าป่านี่พูดให้ลอยอางนเดี๋ยวได้มาฟังคำอาจารย์ใส่ไปมฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึ ก่อนหน้านั้นตอนที่ท่านรูบวยก็มีปัญหาจนใครไม่กล้าไปหาจ น, นเลยแล้วบอกว่าอย่าทำต้องระวังนะอย่าให้ใครไปหาพระองค์นี่นะไปหาเสร็จแล้วบวชไม่ศึกเลย <c oughs> โอ้โหจะยุ่งเลยหนู ถ้าหนูหนูอายเราต้องระวังไว้นะต ว, ว, วเออเกิดมาเไม่พิ่งโลกเลยไพิ่งเขาบอกว่าการมีครอบครัวเนี่ยจุดมุ่งหมายหลักคือการสร้างทายาิที่ดี ้ายาตเนี่ยนะบุตรที่ดาเนี่ยหนึ่งอวาชาตบุตรบุตรที่แยก่กว่าพ่อแม่ทุกด้านศักยภาพเนี่ยสองสาชาตบุตรบุตรที่เสมอกับพ่อกับแม่ทุกๆด้านสามก็คืออภิชาตบุตรบุตรที่มีศักยภาพที่ดีแล้วก็ยิ่งกว่าพ่อแม่ทุกๆด้านถ้าแยก่กว่าพ่อหรือแม่เขาจะอยู่ในโลกใบ น, นี้ไม่ได้เลย ขนาดพ่อแม่ยังแย่ยังต้องต่อสู้ขนาดนี้ถ้าเสมอกับพ่อกับแม่โลกมันไปแน่นาคตเขาจะอยู่ยังไงเขาก็อยู่ด้วยความลําบากอีกเหมือนกันงั้นต้องสร้างผลิกบุคลากรที่เป็นอภิชาติที่มีศักยภาพที่มีดีกว่าพ่อกับแม่ทุกๆด้านเพื่อจะได้ผลิตบุคลากรบุคลากรเหล่านี้มาเป็นหลักของครอบครัววงตระกูลและเป็นหลักที่ดีกับทั้งขม ไอ้ตรนี้สําคัญที่สุดนี่เรือ จ, จุดหมายหลักในการแต่งงานส่วนจุดหมายรองก็นีอยู่ด้วยกันเพื่อคูณกันดูแลกันกว่าดไปถ้าตั้งหลักอย่างเงี้ยพวกเราก็จะไม่เป็นแบบนี้ถ้าพ่อแม่คิดอย่างนี้ใช่ไหมคิดก่อนหน้านั้นน่ะพวกเราไม่เป็นแบบนี้ปล่อยไป ต, ตามยถากรรมตามสมควรแก่กรรมเลยอยเงี้โอยยะถาแปลว่าสมควร ยาถากรรมังตามสมควรเก่งๆเลยออกมาประหลดัดประหลาดเลยทีมองอย่างนี้อ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างบุคลากรสร้างคนที่มีศักยภาพจะได้เป็นหลักทีนี้พอในครอบครัวนั้นมีหลักมีคนดีมีคนที่มีศักยภาพแล้วเนี่ยคนที่ดีมีศักยภาพมันก็ไปสร้างผลิตสิ่งที่ดีให้กับ สังคมสิ่งวแวดล้อมตลอดถึงประเทศทั้งโลกใบนี้นี่เขาคิดกันขนาดนั้นบอกเขาทุกวันนอะใช่ไหมบอกไนดะ้อยู่ในท้องว่าหนูต้องเก่งกว่าพ่อกว่แม่ทุกๆได้ห้ามเท่าพ่อแม่เด็ดขาดไม่ใช่แค่เสมอถ้าอย่างนั้นเนี่ยการอยู่ในโลกในอนาคตเนี่ย ม, มันต้องมีอะไรอีกเยอะโอ้มีพลังเลยถ้าคิดอย่างนี้นมีกําลังใจในการที่จะฝึก ผลพัฒนาเขาทุกๆด้านบอกเขารู้ว่าเออความดีเป็นยังไงความไม่ดเีเป็นยังไงกุศลเป็นยังไงอกุศลเป็นยังไงสิ่งที่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์มีคุณมีโทษสิ่งที่ควรทําไม่ควรทําเอยแยกแยะให้เขาเ ข, าเขา้าใจนี่นะครับเขาเอาศิลปะวิทยาการใดๆให้เขาได้เรียนรู้ได้ปลุกผลพัฒนาให้ตาเขาสองข้างเลยปกติมนุษย์มันมีตาบอดสองข้างดีข้างเดียวแล้วก็ตาดีสักสองข้าง บอดสองข้างกันหนึ่งไม่มีตาคือปัญญาหาทรัพย์ที่ยังไม่ได้และไม่มีตาคือปัญญาเพิ่มทรัพย์ทรัพย์ที่มีอยู่แล้วเพิ่มพูนให้เจริญไปบูนยิ่งๆขึ้นไปก็ไม่เป็นนี่บอดแล้วอีกข้างหนึ่งก็คือไม่รู้จักบุญจักบาปแยกบุญแยกบาปแยกกุศลแยกุศลบอดสองตาให้คนตาบอดนีไม่ควรเข้าใกล้ไม่ควรครบ ตาดีข้างเดียวก็คือโอ้โหมีตาสแสวงหาทรัพย์เก่งมากสแสวงหาทรัพย์สแสวงหายศนิดผิดก็เอาถูกก็เอาไม่สนก็ขอให้ได้ทรัพย์เอ้ยนี่มันดีข้างเดียวตามันดีข้างเดียวใช่ไหมแต่มันแยกบุญแยกบาปแยกกุศลไม่กุศลไม่ได้ส่วนตาดีสองข้างก็เออมันมีตาหาทรัพย์ไม่พอมิมีตาแยกบุญแยกบาปแยกกุศลไม่กุศลแยกดีแยกชั่วเออย่างงีย้ยดีใช้ได้ควรครบคนตาดีสองตา เลีกให้นีคนตาบอดและคนตาข้างเดียวเสียแล้วจะมีแต่ความจเจริญฝ่ายเดียวเนี่ยนะอย่างนี้เป็นต้นพอจะมองเห็นไหมหมืดแล้ว <laughs>